แต่ว่ามาตามมาจริงๆริงแคือตอนที่พวกนี้เข้ามาอาชไลแล้วก็มีการไปสอบถามว่า เ, ออเด็กเหล่านี้เนี่ยที่มาร่วมทดลองนี่ตอนนี้เขาไปถึงไหนแล้วก็ปรากฏว่ามันมีความแตกต่างที่เห็นได้ชัดนะเด็กที่คอยไม่เป็นเนี่ยเรากอว่าเรียนมัธยมก็เรียนได้คะแนนไม่ค่อยดีโอเคเลยก็เยอะแล้วก็อ้วนด้วยเพราะว่าชอบกินอาหารขยะนะ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 ไม่ใช่คอยเวลาเรียนหนังสือไม่ใช่คอยในขณะที่ทำงานเท่านั้นแต่เวลาอยู่บนท้องถนนก็คอยนะเวลาไฟแดงเนี่ยเขาก็เขาก็รอนะถ้าไฟยังไม่แดงนี่ก็ไม่มีการไม่มีใครข้ามถนนนะถึงแม้ถนนว่างเขาก็คอยแล้วคอยนี่เขาไม่ได้คอยด้วยความทุกข์นะเาก็คอยแบบสบายๆนะบางทีก็คุยกันบ้างบางทีก็อเอาคอมพิวเตอร์มาดูบ้างเอาโทรศัพ์มาคุยบ้าง